บุ๊กทูห้าสิบสอครินเด็กดูในห้างสรรพสินค้าแอนน์มากาจันแนกเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมชุนิอีรูอันลามากาจนนันแนกดิฉันต้องไปซื้อของ มีเดวส์อาเชูมิดิฉันอยากซื้อของหลายอย่างมีวลส์อาเชติมุลต์แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนคะที่เอสตาสลาออฟิเซย a r t i าร์ตดิฉันต้องการสองจดหมายและเครื่องเขียนมีเบโ o นัสโคเวอร์โต้ย์ค่ะเลเทอร์พาเปรน ดิฉันต้องการปากกาลูกเลื่นและปากกาเมจิกมีเบืองตส์ลอปสครีบีลน์ใคเฟลด์ตอินผนกงเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหนคเอสสมบลอยดิฉันต้องการตู้และตู้ลินชักมีเบืองตสชรังกอใกโโโนใครคมอดอนดิฉันต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ มีเ บ, บ, บื้องหน้าสคริ o โตบาลอนใครเปรตอารอนแผนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะที่เย a แอสต้าส์ล่ะลูดีลอยดฉันต้องการตุกตาและตุกตาหมีมีเบื n องหน้าฟุตพลูชอซอนดิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุกมีเบื้ n งฟุตบลอนพิลคอนใชักลกดล แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะที่ย a งเอสตับเ ล, ะ ล, ะบลยดิฉันต้องการคอนและคีมีเบโซนสัสมารเทลอนไข่พินชนดิฉันต้องการสว่านและไขควงม o เบโซนสัสบริลอนไ n ่สแรวบแผ น, นกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน ที e เอส a ัสลายูแหวนลอยดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือมีเบอร์นัสชนนอนใคร bracelet ต้นดิฉันอยากได้แหวนและต่างหูมีเบอร์นัสริงกอนใครออร์รริงกอน